คำว่าภิกษุได้แก่อุปสัมบันคำว่าถามปัญหาคือภิกษุณีขอโอกาสในพระสูตรแต่ถามพระวินัยหรือพระพิธรรมต้องอาบาัติปาจิตตีิขอโอกาสในพระวินัยแต่ถามพระสูตรหรือพระพิธรรมต้องอาบัติปาจิตตีิขอโอกาสในพระพิธรรมแต่ถามพระสูตรหรือพระวินยัยต้องอบัติปาจิตติ